<Yeah. S 2> เบื่อบ้งไหมที่ต้องไปแอบรักใครเมนื่อางไหมที่คิดถึงเขาครั้งเดียวเกอบจะทำเป็นว่าไม่รู้เล่าเชียวแต่อดหงเธอไม่ไว้จะบอกอะไร ให้หิมะตกในประเทศไทยอาจมีนวันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรอยากให้กรุงเทพรถไม่ติดมันจะเป็นไปได้ไงอยากให้ปลาอยู่บนฟ้ามันก็คงจะยากไปรักใครที่เขาไม่รักมันก็คงจะเศร้าคิดแต่ไม่ถึงมันก็คงจะเหงามันจะดีกว่าไหมถ้ารักคนที่รับเราลองอคู่ข้าง อยให้หิมะตกในประเทศไทยอาจมีน ว, วันนั้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่ อ, อไรอยากให้กรุงเทพรถไม่ติดมันจะเป็นไปได้ไหมอยากให้ปลายอยู่บนฟ้ามันก็คงจะยากไปรักใครที่เขาไม่รักมันก็คงจะเศร้าคิดแต่ไม่ถึงมันก็คงจะเหงามันจะดีกว่าไม่เถอรักคนที่รักเราลองมันองข้างๆสีแล้วเธจะเห็นเา mm ่าไม่ต้อง Oh.